ไมลินทาปัญหาของกรมศิลปากรไมลินทาปัญหาเมนทกะปัญหาปฐมวั์มหาภูมิจารณปาตุภาวะปัญหาที่สี่ถามว่าที่ตรัสไว้ว่าแผ่นดินไหวด้วยเหตุแปประการเท่านั้นเมื่อพระเวสสันดรให้ทาน เหตุไรแผ่นดินจึงไหวอีกเล่าสมเด็จพระเจ้ามิรินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการถามว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาสมเด็จพระมหากรุณาเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสว่าภิเกขเวดูราณะิิษุผู้ตั้งอยู่ในศีลพื้นแผ่นดินจะกาปนาดหวาดหวั่นไหวด้วยเหตุ8ประการและปัจจัยแประการเท่านั้น อาทันอยู่นว่โมเหตุและจะมีเศษเหตุอีกเป็นคํารบก้าสมเด็จพระพุทธเจ้าได้ตรัสในคัมภีร์ที่ไหนหาไม่ได้ก็ทําไมพระเวสสันดรผู้ที่สัตว์เจ้าให้ทานแผ่นดินไวน้นี้มีเศษเหตุคํารบก้าโยมคิดคิดก็สงสัยถ้าว่าพระพุทธฎีกาตรัสไว้ว่าแผ่นดินจะไว้ด้วยเหตุแปดประการ ด้วยปัจจัยแปประการแน่นอนชนี้พระพุทธดีกาตรัสว่าสมเด็จพระเวสสันดรให้ทานเป็นมหาทานอันใหญ่แผ่นดินไหวเจ็ดครั้งพระพุทธดีกาตรัสต่างนี้ก็ผิดแม้สมเด็จพระพิชิตตมานตรัสว่าพระเวสสันดรให้มหาทานอันใหญ่แผ่นดินไหวเจ็ดครั้งจริงพระพุทธดีกาที่ตรัสว่าภิกเว ดูราณะภิกษุทั้งหลายอันทรงปาติโมขสังวราวิสุทธิศีลพระสุธาตลังแผ่นดินจะกำปนาหวาดวันไหวก็ด้วยเหตุแปดประการและปัจจัยแปดประการพระพุทธดีกาตรัตชนี้โยมคิดดูเห็นว่าพระพุทธดีกานี้เป็นสองไม่ต้องกันอายังอุพโตโกติโกปัญโหปัญหานี้ มีที่สุดเป็นสองเงื่อนชื่อว่าอุพัโตโกตินิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาไปให้สิ้นความสงสัยวิมุตติกังขาในการบัดนี้เทโรพระนาคเษนผู้มีศีลอันมั่นคงองค์อรหันต์มีอริยะวาจาวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารซึ่งสมเด็จพระบรมโลกุตมาจารย์ มีพระพุทธดีกาโปรดประธานไว้ว่าพิกเขเวดูรานะภิกษุทั้งหลายอันทรงปาติโมคสังวรศีลแผ่นดินจะไว้ก็ด้วยเหตุแปดประการและปัจจัยแปดประการดังนี้และพระพุทธดีกาซึ่งได้ตรัสว่าพระเวสสันดรให้มหาทานแผ่นดินไวเจ็ดครั้งนี้เป็นโดยอากาลิกใช่การที่จะไว้ และจะยกได้เข้าในเหตุ8ประการนี้หาไม่ได้ต่างกันไม่เหมือนกันความอันนี้จะรู้แท้ด้วยกระแสะอุปมามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุดเมฆสามประการอันมีในฤดูสามคือวสันคิมหันเหมันอัญโยเมโคถ้าว่าเมฆอื่นคือหาฝนอื่น ที่ไม่ประกอบในฤดูทั้งสามนั้นบันดาลตกลงมาเหมือนเมฆคือพ้นสามฤดูนั้นก็ควรจะเรียกว่าเป็นอากาละเมฆความนี้มีอุปมาชันใดคำที่ว่าพระเวสสันดรให้ทานแผ่นดินไหวนี้แผ่นดินไหวใช่การเป็นการละวิมุตติมิได้นับเข้าในเหตุแปดประการปานดุจอาการเลยมิได้นับเข้าในเมฆ ประกอบในการทั้งสามคือวสันคิมหันเหมันนั้นอันหนึ่งอุปมาดุดหนึ่งว่าแม่น้ำห้าร้อยอันไหลไปแต่หิมะวันตะบันพจน์นั้นลำแม่น้ำห้าร้อยนั้นมีแต่สิบแถวที่เรียกว่านาทีและแม่น้ำทั้งหลายสิบนี้คือคงคาหนึ่งยมุนาหนึง่งอจิระวดีหนึ่งสรภูหนึ่งมหีหนึ่ง สินธุหนึ่งสรัสวดีหนึ่งเอตะพวดีหนึ่งอิตังสาหนึ่งจันทภาคาหนึ่งแม่น้ำนอกออกไปนั้นจะเรียกว่านาทีหามิได้กิงการนาเป็นเหตุชนเหตุว่ามิได้มีน้ำไหลอยู่เป็นนิดอัตรายะถาจะมีขรุวนาฉันใดซึ่งบรมนอไทยธานาทิบดีสีพิเศษเวศสันดอน ทรงพระประสาทมหาทานแผ่นดินไหวนี้เจ็ดครั้งนี้มิได้นับเข้าในเหตุแปดประการกิงกรณาเป็นเหตุดังรือเหตุว่าทานพระเวสสันดร น, นั้นมิได้ให้แผ่นดินไหวอยู่อัตรายะถาวาปณ ะ, ะมหาราชะอันหนึ่งสดขอถวายพระพรบอร่อพิษพระราชสมภาร ปานดุดอมาตย์ของสมเด็จบรมมกสัตราธิราชสตังปิเทเวสตังปิร้อยคนก็ดีสองร้อยคนก็ดีล้ําอำมาตเหล่านั้นที่จะนับว่าอมาตก็แต่หกคนคือคนถือพระขันคนหนึ่งพนักงานพระกรดคนหนึ่งพันดระโขชาวคลังทรัพย์คนหนึ่งอัคคะทัศโสคนดูถ้อยความคนหนึ่งป ร, รูหิตคนหนึ่ง เสนาบดีคนหนึ่งคนบรรดาอยู่ในตำแหน่งที่เฝ้าเหล่านี้เรียกว่าอมารเหตุว่าประกอบอยู่ในราชกิจของบรมกาษัตเจ้าทรณีนอกกว่านี้มิได้นับคงเรียกแต่อมาศมหาราชะขอถวายพระพรความข้อนี้เปรียบฉันใดและพระยาเวศสันดอนให้มหาทานแผ่นดินไว้ถึงเจ็ดครั้งนี้ จะได้นับเข้าในธรณีไหวด้วยเหตุ8ปประการหาไม่ได้ดุดคนทั้งหลายเศษไม่ได้นับเข้าในพวกอมตะห6คนนั้นสุยยติมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารได้ส่งสวนาการฟังบ้างหรือไม่ว่าในศาสนาของสมเด็จพระพุทธเจ้าของเรานี้คนทั้งหลายกระทำกุศลเป็นทิฏฐธรรมเวทนี มีชื่อลือชาปรากฏไปในมนุสโลกและเทวโลกนั้นอามะพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเออโยมได้ยินเขาเล่าอยู่มหาราชมีกี่คนบอพิษพระราชสมภารพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์มีพระราชค์การตรัสว่ามีอยู่เจ็ดคนที่กระทำกุศลสเสวยผลเป็นทิฏฐะธรรมเวทนี พระนาคเกษมมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระผ่อนคนเจ็ดคนซึ่งกระทากุศลสเสวยผลเป็นทิฏฐะเห็นในปัจจุบันเจ็ดคนนั้นคือใครบ้างบอพิตรตัดไปก่อนสมเด็จพระเจ้าวิลินปิ่นประชามีพระราชค์การว่าพันเตค่าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชายานคนเจ็ดคนนี้คือนายมาลาการหนึ่ง เอกสาตกะพรามหนึ่งในบุญลูกจ้างหนึ่งนางมัลิกาเทวีหนึ่งโคปาลมาตาเทวีหนึ่งสุปิยะอุบาสิกาหนึ่งปุณณธาศีหนึ่งสิริเป็นคนเจ็ดคนเท่านี้พระนาคเษนมีเถระวาจาถามว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารบุคคลที่ได้กระทำสาการะบูชา แต่สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์อื่นที่ล่วงไปนั้นและได้ไปสู่สวรรค์ทั้งเป็นบ่อพิษพระราชสมภารและได้ฟังบ้างหรือประการใดสมเด็จพระมิลินปิ่นกษัตริย์ว่าโยมได้ยินอยู่พระนาคเสนผู้ปรีชาถามว่าคือใครบ้างใครบ้างนะบ่อพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินมีพระราชองค์การว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้า คนที่ไปสวรรค์ทั้งเป็นนั้นมีอยู่สี่คนโคตติละผู้เป็นคนทันหนึ่งพระยาสาธินราชหนึ่งพระยาเนมิราชหนึ่งพระยามันทาตุราชหนึ่งสิริเป็นสี่คนเท่านี้พระนาคเษนมีเทระวาจาถามว่ามหาราชดูราณะบพิษพระราชสมภารได้ทรงสวนาการฟังบ้างหรือ ว่าบุคคลชื่อนี้กระทําทานและอัศจรรย์บัรดาลเกิดแผ่นดินไหวครั้งหนึ่งก็ดีสองครั้งก็ดีจะมีมาในอดีตการและปัจจุบันนี้มีหรือไม่นะบ่อพิษพระราชาสมภารพระเจ้ามิลินภูมินธราธิปดีตรัสว่าณหิพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมไม่เคยฟังหาไม่ได้พระนาคเษนจิงถวายพระพรว่า มหาราชดูราณะบพิทพระราชนสมานภารฝ่ายพระไตรปิฎกฝ่ายปฏิเวทธรรมก็ได้ฟังลักษณะการที่เล่าเรียนต่ออาจารย์ก็ได้เคยเล่าเรียนการศึกษาก็ได้ประพฤติความตั้งใจที่จะได้ฟังและที่จะถามก็ทํา ม, มามากแล้วแต่แผ่นดินไหวด้วยบุคคลให้ทานไหวครั้งหนึ่งและสองครั้งอัตมายังบ่ไม่ได้ฟัง ตั้งแต่ศาสนาพระสกยะมุนีเจ้าถอยหลังลงไปจนศาสนาพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นโสดในระหว่างร้อยกูฏปีนั้นยกจากทานพระเวสสันดรเสียและบุคคลให้ทานและแผ่นดินไหวครั้งหนึ่งสองครั้งอาตมาไม่ได้ฟังอันแผ่นดินจะไหวด้วยกำลังบุคคลเพียงให้ทานเท่านั้นหาไม่ได้อันลักษณะแผ่นดิน จะไหวด้วยคุณภาวะอันหนักสุดที่ธรณีจะทรงได้ธรณีจึงไหวมหาราชะดุรานะบพิทธพระราชสมภารผู้เป็นใหญ่ในราชมหยสวรรค์เปรียบประดุดเกวียนอันบุคคลบรรทุกเต็มด้วยภาระอันหนักนี้เพลากรรมกงคงจะหักไปยะถามีขรุวนาฉันใดแผ่นดินอันใหญ่ มิอาจทรงได้ซึ่งวิริยะคุณของพระโพธิสัตว์สั่งสมนั้นแผ่นดินก็กำปนนาหวาดไหวอันหนึง่งเปรียบไปต่อพื้นอากาศอันมิอาจทรงไว้ซึ่งฝนและลมเป็นภาระอันหนักก็กึกกร้องไปยะถามีครุวนาฉันใดแผ่นดินอันใหญ่มิอาจทรงได้ซึ่งวิริยะคุณของพระโพธิสัตว์สั่งสมนั้น แผ่นดินก็กำปนาาหวาดไวอันหนึ่งเปรียบไปต่อพื้นอากาศอันมิอาจทรงไว้ซึ่งฝนและลมเป็นภาระอันหนักก็กึกก้องไปยะถามีครุวนาชันใดมหาปฐวีแผ่นดินอันใหญ่บ่มิอาจจะทรงไว้ซึ่งภาระแห่งกาลังทานอันภัยสารแห่งพระยาเวสันดรได้ก็กำปนาาหวาดไว มีอุปมาเหมือนพื้นอากาศนั้นอันหนึ่งเล่าจิตแห่งพระเวสสันดรเจ้าเมื่อให้ทานนั้นจะได้น้อมไปต่ออำนาจราคะหาไม่ได้จะได้น้อมไปต่อความกโกรธหาไม่ได้จะได้น้อมไปต่อมานะทิฐิก็หาไม่ได้จะได้น้อมไปด้วยอารติความไม่ยินดีหาไม่ได้อทกโคอันหนึ่งโสดจิตพระเวสสันดร น, นั้น มากไปในการให้ทานคือมีความปรารถนาว่ายาจกที่ยังไม่มาก็ให้มาเถิดที่มาแล้วก็ให้ได้ข้าวน้ำเป็นต้นพระเวสสันดรเจ้ามิแต่ทรงพระวิตกที่จะให้ยาจกชื่นชมยินดีมารับทานอันหนึ่งพระเวสสันดร น, นั้นตั้งอยู่ในท่าฐานที่สิบประการทม้มคือทรมานอินทรีย์ประการหนึ่ง สังยเมคือสำรวมอินทรีย์ประการหนึ่งขันติมาคือถือขันติประการหนึ่งสังวะเรคือสำรวมศีลประการหนึ่งนิยเมคือนิยมในการกุศลธรรมประการหนึ่งอโกเทคือไม่โกรธประการหนึ่งอวิหิงสายะคือไม่ได้ริษยาพยาบาทแก่สัตว์ทั้งหลายประการหนึ่งสัจเจคือตั้งอยู่ในสัจจะประการหนึ่งโสใจเย คือตั้งอยู่ในกุศลอันสะอาดประการหนึ่งมเมตเตเยคือตั้งอยู่ในเมตตาประการหนึ่งสิริเป็นฐานสิบด้วยกันอันหนึ่งเล่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชาสมภารผู้ประเสริฐสถาพรน้ำพระไยพระเวสสันดร น, นั้นละเสียซึ่งกาเมศนาคือกิริยาอันจะสแสวงหากามคุณพระเวสนาปฏิปัตสสตา ระงับเสียซึ่งกิริยาอันยินดีที่จะท่องเที่ยวเวียนตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปประภพอารูปประภพมีพระไทยปรารบขนขวายที่จะรักษาพรหมจันทร์อันหนึ่งขอถวายพระพรสมเด็จพระเวสสันดรละเสียซึ่งความรักพระองค์ทรงรักสัตว์ทั้งหลายอุตสุกังอาปันโนมีน้ำพระไทยขนขวายว่า สัตว์ทั้งหลายจงสมัครรักใคร่อย่าได้วิหิงสาซึ่งกันและกันจงมีทรัพย์มีอายุยืนนานททธะมานเมื่อจะให้ทานนั้นก็มิได้ให้เพื่อประโยชน์จะได้สมบัติในภพหน้ามิได้ให้เพื่อประโยชน์หาทรัพย์มิได้ให้เพื่อประโยชน์จะให้เขาให้ตอบมิได้ให้เพื่อประโยชน์จะได้ลาบมิได้ให้เพื่อประโยชน์จะให้เจริญชนาาันสา มิได้ให้เพื่อประโยชน์จะให้สันเสริญมิได้ให้เพื่อประโยชน์จะให้จำเริญสุขมิได้ให้เพื่อประโยชน์จะให้มีกำลังมิได้ให้เพื่อประโยชน์จะได้ยศมิได้ให้เพื่อประโยชน์จะได้บุตรมิได้ให้เพื่อประโยชน์จะรักษาชีวิตสมเด็จพระเวทสันดรบรพิษให้ทานหวังจะให้สำเร็จแก่สร้อยสันเพชรช nope ดายานเหตุดังนี้เมื่อสมเด็จพระศรีสันเพชร สำเร็จแก่พระสัพพัญยุตยานจึงตรัสโปรดประธานธรรมเทศานานี้ด้วยพระคาถานี้ว่าชาลีกันหาชินังปุตตังมัททีเทวิงปฏิพัตังทัทธมาโนนจินเตสิโพธิยาเยวะการนาติในกระแสะพระพุทธดีกาตรัสว่าพิกเวดูรานะภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเมื่อยังขวนขวายสร้างพระปูถิยานอยู่นั้นตถาคตเป็นพระยาเวสสันดรยกพระลูกเกิดในอุทรคือพระชาลีกันหากับพระมัทสีอัคระชายายอดรักให้เป็นทานอันยิ่งน่าจินเตสิงที่จะได้คิดว่าจะเป็นอินพรมอมเรศสิ่งไรหาไม่ได้ตถาคตให้ดังนี้โพธิยาเยวะการณา เพราะมีพระไทยปราถนาพระปูทิยานสิ่งเดียวอันหนึ่งบพิษพระราชาสมภารใช่ว่าคุณจะสิ้นแต่เท่านั้นสมเด็จพระเวสสันดรเจ้านี้พระชนคนกโกรธด้วยไม่มีความโกรธพระองค์พระชนคนโกรธชาติอสัตว์บุรุษด้วยน้ำพระไทยเป็นสัตว์บุรุษแท้สัตว์บุรุษดีพระชนคนตรนีกระด้างด้วยให้ทาน ผจนคนพูดพานเหลาะแหลด้วยกล่าวคำสัตว์กําจัดเสียซึ่งอกุศลด้วยตั้งอยู่ในกองกุศลอันวิเศษเหตุดังนั้นถ้าทันตัสะเมื่อพระเวสสันดรเจ้าให้ทานเหตุิมะวาตาลมล่างต้านอุทธกังไว้ภายใต้มหาปัตพีนั้นสกิงวานติพัดทีเดียวก็วันไหวโน้มน้อมมาคุมพระคุมพาวานติ ก็รำพายพัดเป็นหมวดหมู่เป็นพวกพวกกระพือพายุใหญ่อันหนึ่งภายในอากาศดาดไปด้วยเมฆอันเป็นแท่งทั้งนั้นลมพัดให้บ่วนปั่นกระทบกระทั่งกันมหาพีโมสโัตโทเสียงพิลึกพึงกลัวนิกรายเตสุวาเตสุในเมื่อลมทั้งหลายนั้นปริกรรมปิเตสุพัดผันให้วันไหวไปมาส่วนว่าอุทกังนั้น ก็วันไหวไปพร้อมกันกุมพิลาติมิมัชกัชปาอันวจราเคเฮราปราชื่อติมีเป็นปลาวานเต่าปูก็ว่ายวนเป็นหมู่หมู่วุ่นวายสัลีละอุ่มไม่อยู่ลูกระลอกเป็นหมู่หมู่คู่คู่กันก็ปรากฏชละจราสัตาจรันติสัตว์ทั้งหลายอันว่ายคล่ำอยู่ในน้ํานั้นก็สัญจรไปมา วิจโยนาทังนทันติลูกระลอกนั้นก็บรือลั่นเสียงพิลึกโครมครืนภพภพุลาลูกคลื่นพัดเสียงพิลึกแล่นไปมาเพนุมาลาก็้อยกล่นเกลื่อนพระสมุทรสะเทือนสะท้านลมโต้ต้านให้ไหลท้องกระแสปแปรทั่วทิศาหน้าครุตอสุรยักษาขุภิชิงสุก็พากันตื่นเต้น ให้อัศจรรจิตคิดไปมาว่ากินนุโขกะถันงนุโขอโอหนอนี่เสียงอะไรนั่นเสียงอะไรก็ตกใจสแสวงหาแต่ที่จะขมนาการไปให้พ้นภัยยิ่งแลไปที่สมุดนั้นแล้วก็วันพรั่นจิตคิดจะหลีกหนีขณะนั้นมหาปัทภีก็วันวาดสิเนรุราชสีคริทนทร์อันเป็นปิ่นเสลาราช มิอาจดำรงทรงอยู่ได้ก็โน้มน้อมไปมาอาหินกุลาแมวและหนูงูกับพังพรครุดกับนาคซึ่งคบกัดกันก็วางกันแมวนั้นก็วางหนูงูก็ไม่ได้กัดพังพรลูกครุดที่ยังอ่อนพึ่งสอนบินก็ร้องดิ้นอยู่ในรังดังสนัน่นมูยักษ์นั้นก็พากันวันไหวสัญจรเที่ยวไปมา ตกว่ามหาปัทภีไหวทั้งนี้ด้วยทานบารมีอันพระองค์กระทาวิริยะอุตสาหะยิ่งภัยสารอันหนึ่งเล่ามหาราชะดูราณนะบอพิษพระราชาสมภารปานดุดหนึ่งว่าบุคคลตั้งหม้อหุงข้าวครั้นก้นหม้อนั้นตั้งไฟร้อนอุทะกังในหม้อนั้นก็ร้อนเดือดพล่าน ข้าวสารในหม้อนั้นก็ร้อนกระชอนไว้ไปมาครั้นว่าข้าวสารร้อนทั่วแล้วอุทธกังนั้นก็เดือดแล้วก็ไหลล้นท้นเป็นฟองฟูมไปยะถามีขรุวนาฉันใดเมื่อสมเด็จพระเวสสันดรให้ทานนั้นแผ่นดินไหวเดิมลมอันใหญ่ที่พัดต้านน้ำรองแผ่นดินนั้นมิอาจทรงอยู่ได้ด้วยเหตุมหาทาน ลมนั้นบรรดาลกำเริบพัดอยู่ข้างล่างก่อนอุทะกังจิงกระชอนไหวเหมือนหม้อข้าวแรกหุงตั้งเหนือเตาไฟนั้นน้ำในหม้อนั้นพล่านไหวก่อนแล้วเมื่อน้ำรองแผ่นดินนั้นไหวแล้วแผ่นดินก็ไหวดุดเข้าสารในหม้ออันไหวด้วยน้ำร้อนนั้นนี่แหลทานของพระเวสสันดรนั้นยังลมรองน้ำยังน้ำรองแผ่นดิน และแผ่นดินสิ่งสามประการนี้ให้สถานสะเทือนไหวทานของผู้ใดที่จะให้สิ่งสามประการนี้ไหวเปรียบดุดทานสมเด็จพระเวสสันดร น, นี้ไม่มีมหาราชะดูรานะบอพิทพระราชสมภารปานดุดแก้วทั้งหลายมีประการต่างๆในพื้นแผ่นดินนี้คืออินทนินและมหานินและโชติรสแก้วไผ่ทูล แก้วอุมารบุภาแก้วมโนหราแก้วสุริยะกันแก้วจันทกันแก้ววิเชียนแก้วบุตรสราคำแก้วแดงแก้วลายแก้วทั้งหลายนี้จะมีรัศมีดีขึ้นไปกว่าแก้วมณีของบรมจากรพัตราที่ราชหามิได้ตกว่าแก้วมณีแห่งสมเด็จบรมจากรพัตราที่ราชนี้มีรัศมีแผ่ไปโดยรอบคอบ สว่างไปยอดหนึ่งแก้วทั้งหลายจึงไม่ดียิ่งกว่าจักรวัติมณีความนี้จะเปรียบฉันใดทานคนทั้งหลายซึ่งให้นั้นจะได้มีคุณเท่ากันกับทานพระเวสสันดร น, นี้ไม่มีเปรียบดุจมณีทั้งหลายในพื้นปัตถพีอันจะดีล่วงไปจากจักรวัติรัตนะไม่มีหาไม่ได้เหตุดังนั้น S <S เมื่อสมเด็จบรมมาทานาธิปดีสีเวสันดอนบอพิษทรงพระประสาสัอํานวยทานนั้นแผ่นดินไหวสิ้นเจ็ดครั้งบอพิ จ, จงทรงพระสวนาการฟังให้เข้าพระทัยในการบัดนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีได้ฟังพระนาคเษนวิสัชนาดังนี้ก็สิ้นสงสยัยก็สรรเสริญพระนาคเษนโดยในวิสัชนามาแต่หนหลังนั้น ปหาภูมิจารณะปาตุภาวะปัญหาเป็นคำรบสี่จบเท่านี้